อนาปติวันพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ128 1งิบแปพิสูชุดลากหรือใช้ให้ชุดลากพิสูุอะลั ช, ชี2อพิสูุชุดลากหรือใช้ให้ชุดลากบริราชชา ห, รหาราของพิกษุอะลั ช, ชี3าพิกูตชุดลากหรือใช้ให้ชุดลากพิกษุวิกชจริตสีพิสูตชุดลากหรือใช้ให้ชุดลากบริหารของพิกษุวิกชจริตห้พิสูตชุดลากหรือใช้ให้ชุดลากพิสูตผู้ ก, ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะ ก่อการวิวาทก่อให้เกิดการทุ่มเถียงหรือก่ออธิกรณ์ในสงฆ์หภิกษุฉุดลากหรือใช้ฉุดลากบริหารของภิกษุผู้ก่อเหตุเหล่านั้น7จภิกษุฉุดลากหรือใช้ฉุดลากอันเตวาสิกหรือสัตทิวิหาริกผู้ไม่ประพฤติโดยชอบ8ปภิกษุฉุดลากหรือใช้ฉุดลากบริหารของอันเตวาสิกหรือสัตทิวิหาริกผู้เช่นนั้น9กภิกษุวิกลจริต10บภิกษุต้นบัญญัติ นิกกัดธนสิขาบทที่7จบ